ตอนที่เจ็ดพระมหากรุณาที่คุณเมื e ่อนายชนะเดินพ้นไปแล้วเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาพแห่งนักบวชผู้กระทำพิกขาจานทร์ก็เสด็จมุ่งหน้าสู่ทิศใต้อย่างประเทศมคธ พระองค์เสด็จไปถึงราชธานีชื่อนครราชครึอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งประเทศนั้นในพระนครนั้นพระสิทธัตถะทรงถือภ้าชนะเสด็จไปตามถนนเพื่อพิกขาจาร์เยี่ยงนักบวชทั้งหลายแต่ประชาชนต่างสังเกตว่าพระองค์มีลักษณะผิดจากนักบวชธรรมดาทั่วไปหลายประการ เขาได้พากันหาอาหารที่ดีที่สุดอันเพิ่งจะมีมาถวายโดยใส่ลงในบาทของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงรับอาหารได้พอสมควรแล้วก็เสด็จออกจากพระนครไปสู่ที่สมควรแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมฉันอาหารในบาทนั้นแต่ขอท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าพระองค์มีพระกาเนิดเป็นเจ้าชายทรงคุ้นอยู่กับพระกรยาหารอันประณีต เป็นสัดส่วนแต่ขณะ น, นี้เมื่อทรงก้มดูอาหารหวานขาวนาน า, นาชนิดทั้งเปียกทั้งแห้งหลากสีคละระคนอยู่ในภาชนะเดียวกันลำไส้ของพระองค์เริ่มกระอักกระอ่วนราวกับจะทนออกมาจากพระโอทและไม่สามารถบังคับพระไทยให้เสวยอาหารนี้ได้ทั้งทรงใครจะคว้างทิ้ง โดยไม่เสวยอะไรเสียเลยจะดีกว่าแต่ในที่สุดพระองค์ทรงยับยั้งความคิดเช่นนั้นไว้ได้ทรงได้คิดและรำพึงเป็นการเตือนสติพระองค์เองว่าสิท ธ, ธะเธอได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยว โดยการทิ้งกำเนิดในราชสำนักขติยวงศ์อันยิ่งใหญ่ออกมาเป็นนักบวชมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารของคนขอทานแต่บัดนี้อาหารซึ่งคนใจบุญเขาบริจาคให้นั้นเธอกำลังจะคว้างทิ้งโดยไม่ประสงค์จะกินอาหารชนิดที่เป็นของนักบวชผู้ไร้บ้านเรือนเธอคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นการสมควรหรือพระสิทธัตถะ ทรงให้โอวาดพระองค์เองด้วยเหตุผลนานาประการเพื่อปรับปรุงท่ไทยให้เหมาะสมแก่การเป็นอยู่ด้วยอาหารของคนขอทานตามธรรมเนียมของนักบวชทั้งหลายในที่สุดการต่อสู้ภายในจิตพระองค์เป็นฝ่ายชนะความกระด้างถือตัวหมดความรังเกียจในอาหารซึ่งวางอยู่เบื้องพระพักทรงเริ่มสวยอาหารอันรัคนคละนั้นโดยปราศจากอาการกระสับกระส่ายแต่ประการใด และไม่ต้องทรงลำบากพระไทยในการที่จะต้องชันอาหารเช่นนั้นอีกสืบไปด้วยในเช้าวันนั้นประชาชนชาวเมืองราชครึกได้พากันโจทย์จันถึงลักษณะสูงส่งของนักบวชแปลกหน้าความอ่อนโยนสง่างามนั้น เป็นพิเศษกว่านักบวชทั้งหลายอย่างเหลือที่จะเทียบได้ข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปจนถึงวังหลวงถึงกับพระเจ้าพิมพิสารต้องทรงส่รงราชบุรุษออกตามสืบดูว่านักบวชผู้มีลักษณะเช่นว่านี้เป็นใครกันในเวลาไม่นานนักราชบุรุษกลับมากราบทูลให้ทรงทราบว่านักบวชผู้นั้น คือพระโอรสองค์ใหญ่ของพระราชาแห่งชนชาวสากยะทั้งเป็นทายาทผู้สืบพระราชบัลลังก์อีกด้วยแต่พระองค์ทรงสละสิ่งทั้งปวงออกบวชเป็นภิกษุเพื่อสา ะ, ะแสวงหาหนทางอันจะทำให้คนเราพ้นจากความครอบงำของความชราความเจ็บไข้และความตายพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับด้วยความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงโดยไม่เคยทรงได้ยินมาก่อน ว่ามีผู้ใดเคยออกบวชเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งที่เหนือกฎธรรมดานั้นแต่ก็เห็นว่าเป็นการกระทําที่น่ายกย่องน่าสรรเสริญในความเป็นเจ้าชายชาติชาตรีอย่างแท้จริงและอาจนำมาซึ่งความสำเร็จก็ได้พระองค์ได้เสด็จไปทูลขอร้องให้พระสิท ธ, ธัตถะประทับอยู่ในพระนครโดยพระองค์จักเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตและสิ่งอื่น อันจักเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและนำมาซึ่งความสำเร็จในสิ่งที่ทรงประสงค์ได้โดยง่ายแต่พระสิทธัตถะทรงปฏิเสธโดยตรัสว่าพระองค์ไม่อาจประทับในที่ใดเพียงแห่งเดียวได้ตลอดเวลาที่ยังไม่พบสิ่งที่ทรงประสงค์เมื่อเป็นดังนั้นพระราชาพิมพิสารจึงได้ทรงทูลขอให้พระองค์รับคาว่าเมื่อทรงบรรลุ ถึงสิ่งที่ทรงประสงค์แล้วจะเสด็จมาโปรโดพระองค์และประชาชนของพระองค์เป็นพวกแรกพระสิทธัตถะได้เสด็จออกจากนาครราชครึกตรงไปยังชนบทอันเต็มไปด้วยทีู่เขาเป็นที่อยู่ของฤาษีและนักบวชนานาชนิดทรงหวังว่าบุคคลเหล่านี้ จกสามารถช่วยพระองค์ศึกษาให้ทราบถึงสิ่งชั่วร้ายอันเนื่องอยู่กับชีวิตนั้นเพื่อหาหนทางกำจัดเสียโดยสิ้นเชิง ขณะที่พระองค์เสด็จไปตามหนทางทรงเห็นฝุ่นอันฟุ้งตลบฟ้าลงมาจากภูเขาพร้อมทั้งเสียงกีบสัตว์จำนวนมากกระทบพื้นดินพระเสด็จใกล้เข้าไปก็ทอดพระเนตรเห็นแพะและแกะฝูงใหญ่ออกมาจากกลุ่มฝุ่นอันฟุ้งขึ้นดุดเมฆนั้นฝูงสัตว์ที่น่าสงสารนี้กำลังถูกต้อนไปในเมืองตอนปลายฝูงอันยาวเหยียดนั้นมีลูกแกะอ่อนๆตัวหนึง่ง พยายามขโยขยเยกเดินตามฝูงด้วยความเจ็บปวดทรมานจากขาที่เป็นแผลมีเลือดไหลโสมส่วนแม่ของมันก็พะวงหน้าพะวงหลังเพราะมีลูกเกล็กที่จะต้องห่วงอีกหลายตัวด้วยพระหัตถยที่เต็มอัดไปด้วยพระกรุณาทรงอุ้มลูกแกะนั้นไว้และดำเนินตามแม่ของมันไปข้างหลังพลังตรัสว่าสัตว์ที่น่าสงสารเ อ, อ๋ย ฉันกําลังจะไปนั่งสวดมนต์ภาวนากับฤาษีบนภูเขาแต่การที่ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ของเจ้าก็เป็นความตั้งใจดีเท่ากันมิใช่หรือทรงตรัสถามคนเลี้ยงแกะซึ่งตามมาข้างหลังว่าทําไมเขาจึงต้อนแกะในเวลาเที่ยงวันเช่นนี้แทนที่จะต้อนมันกลับจากที่เลี้ยงในเวลาเย็นคนเหล่านั้นทูลว่าเขาได้รับคําสั่งให้นําแพะและแกะอย่างละร้อยตัวนี้ ไปให้ถึงพระนครในตอนกลางวันเสียแต่เนิ่นๆเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประกอบการบูชายันของพระราชาในตอนค่ำพระองค์ตรัสว่าฉันจะไปกับพวกท่านด้วยและพระองค์ทรงอุ้มลูกแกะตัวน้อยไว้ในอ้อมพระหัตตลอดทางที่ทรงดำเนินตามฝูงมันไปเมื่อเสด็จตามฝูงแกะมาถึงท่าน้ำแห่งหนึ่งนั้นมีหญิงคนหนึ่งเดินตรงมาเคารพและกล่าวอย่างนอบน้อมว่า ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้สูงสุดจงโปรดเมตตาบอกดิฉันเถิดว่ามเมล็พันธุ์ผักกาดที่สามารถแก้ความตายได้นั้นจะหาได้จากที่ไหนและเมื่อสตรีผู้นั้นเห็นอาการสนเทของพระองค์จึงได้กล่าวต่อไปว่าพระเป็นเจ้าได้ลืมเสียแล้วหรือเมื่อวานนี้ดิฉันได้อุ้มลูกชายเล็กๆที่เจ็บหนักจนตายมาให้พระเป็นเจ้าดูที่ในเมือง และได้ถามถึงยาที่จะป้องกันไม่ให้ลูกชายคนเดียวของดิฉันตายพระเป็นเจ้าได้ตอบดิฉันว่าถ้าดิฉันหามเมล็ดผักกาดดามาหนึ่งโกละจากเรือนที่ยังไม่มีใครตายเลยก็อาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้พระสิท ธ, ธัตถะได้ตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอ่น อ, อนโยนว่าก็เธอหามเมล็ดผักกาดนั้นได้มาหรื อ, อยังเล่าน้องหญิงหญิงนั้นได้กราบทูลด้วยน้าเสียงอันเศร้าโศกว่า หาไม่ได้เลยพระเป็นเจ้าดิฉันเที่ยวสาะหาไปทุกบ้านเรือนแล้วสําหรับมเมล็ดพันุ์ผักกาดนั้นเขาต่างก็เต็มใจให้แต่พอดิฉันบอกว่าต้องการเฉพาะที่อยู่ในบ้านในครอบครัวที่ไม่เคยมีใครตายเขาพากันว่าดิฉันพูดเรื่องที่พี่ลึกเหลวไหลเพราะทุกๆครอบครัวไม่ใครก็ใครได้ตายไปแล้วทั้งนั้น บางบ้านก็บิดาตายบางบ้านก็แม่ตายบางก็ลูกชายตายบ้างก็ลูกหญิงตายบางบ้านก็มีท่าตายบางบ้านเคยตายมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำข้าแต่พระเป็นเจ้าดิฉันจะไปหาเมเล็ดผักกาดชนิดนั้นมาแต่ไหนก่อนแต่ลูกชายคนเดียวของดิฉันจะตายไปพระสิทธัตถะตรัสตอบหญิงผู้ซึ่งกำลังร้องไห้สอึกสอื่นว่า เธอได้กล่าวเองไม่ใช่หรือว่าไม่มีบ้านเรือนครอบครัวใดที่ไม่เคยมีใครตายเลยเธอได้พบความจริงอันนี้แล้วด้วยตนเองความทุกข์เช่นนี้ไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะกับเธอผู้เดียวคนทั้งโลกก็ร้องไห้เพราะเหตุอย่างเดียวกับเธอเต็มไปหมดจงกลับไปบ้านแล้วจัดการฝังศพลูกของเธอที่ตายแล้วะเถิดน้องหญิงเอย๋ยสวนชั้นนี้ อยกไปเสาะแสวงหาสิ่งซึ่ ง, งระ ง, งับความโศกของคนทั้งหลายฉันจะกลับมาบอกสิ่งเหล่านั้นให้เธอทราบด้วยพระสิทธัตถะได้เสด็จตามฝูงแกะซึ่งกําลังก้าวสู่ความตายใกล้เข้าไปทุกทีจนถึงวังหลวงณที่นั้นพระราชาประทับยืนอยู่กับหมู่นักบวชซึ่งกําลังสวดมนต์สรนเสริญคุณเทพเจ้าทั้งหลายอยู่ในขณะนั้น ไฟบนแท่นบูชายันได้ติดขึ้นแล้วและขณะที่หัวหน้านักบวชเงื้อมีดขึ้นเพื่อจะตัดศรีรษะแพะตัวแรกพระสิทธัตถะได้ก้าวเข้าไปหยุดยั้งการกระทำนั้นไว้ทรงตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าอย่าเลยมหาราช อย่าได้พลาดผลาญชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เลยตรัสเช่นนั้นแล้วพระองค์ได้รีบแก้เชือกที่ผูกแพะตัวนั้นออกและปล่อยให้มันกลับไปหาฝูงของมันก่อนที่ใครจะเข้าขัดขวางพระองค์ทันทั้งนี้เป็นเพราะท่วงท่าอันสง่างามน่าเลื่อมใสของพระองค์ได้ครอบงำความรู้สึกของพระราชาและคนทั้งหลายเสียสิน้นพระองค์ได้ตรัสแก่พระราชาและคนที่ล้อมรอบอยู่ในที่นั้นว่า ชีวิตนี้เป็นของหน้าอัศจรรย์เพียงไรและเมื่อถูกทำลายลงแล้วใครก็ไม่อาจสร้างมันให้กลับดีขึ้นมาได้สัตว์ทุกตัวย่อมรักชีวิตรู้จักกลัวตายเช่นเดียวกับมนุษย์ก็แล้วทำไมมนุษย์จะใช้กำลังและสติปัญญาที่เหนือกว่ามาเบียดเบียนปล้นฆ่าชีวิตสัตว์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่ ตายนั้นเซล่าทรงตรัสต่อไปว่าพระเจ้าพวกไหนกันที่ยินดีในโลหิตผู้ที่แสวงหาความเพลิดเพลินจากการทำลายชีวิตผู้อื่นนั้นควรจะเป็นปีศาจ ร, ร้ายมากกว่าเป็นพระเจ้าทรงสรุปว่าถ้าคนเราปรารถนาความสุขในอนาคตแล้วก็ไม่ควรสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น แม้สัตว์ที่ต่ำต้อยเพียงไรผู้ที่หวานพืชพันแห่งความทุกยากเศร้าโศกทรมานลงไปแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยที่เขาจะต้องได้เก็บเกี่ยวผลนั้นในทำนองเดียวกันด้วยลักษณะการตรัสอันสุภาพอ่อนโยนเต็มไปด้วยพระกรุณาอย่างแท้จริงแต่ก็ทรงอำนาจจากพระไทยอันเข้มแข็งถึงกับเปลี่ยนจิตใจของพระราชา และนักบวชเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงนับแต่นั้นมาพระราชาได้ทรงประกาศพระราชโองการไปทั่วพระราชาอาณาจักรของพระองค์ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการบูชายันด้วยสัตว์มีชีวิตอีกต่อไป แต่ให้บูชายันด้วยดอกไม้ผลไม้ขนมหวานหรือสิ่งอื่นๆที่ไม่เป็นการฆ่าฟันทำลายชีวิตพระเจ้าพิมพิสารทรงขอร้องพระสิท ธ, ธิะอีกครั้งหนึ่งเพื่อประทับสั่งสอนชนทั้งหลายในพระนครของพระองค์แต่เนื่องจากยังไม่ได้ประสบสิ่งซึ่งกำลังทรงสแสวงหาพระองค์จึงไม่สามารถรับความหวังดีจากพระราชาได้